อุจจาระเป็นสิ่งหน้าขยักขแยแงงดังนั้นภายในช่องท้องอันเป็นที่มาของอุจจาระก็คงไม่คล้วต้องมีความโสโครกหน้าขยักขยแงงด้วยเช่นกันกล่าวได้ว่าอุจจาระเป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างภายในกับภายนอกทาให้เราตระหนักว่ากายไม่ได้ส ก, กรปรกเพียงด้วยคราบเหงื่อคราบคลาาบผิวด้านนอกแท้จริง ด้านในยิ่งขนาดแน่นยัดเยียดด้วยสิ่งเน่าเหม็นหนักกว่าส้วมที่ไม่ได้รับการทำความสะอาดมาชั่วนาตาปีแต่และ ว, วันเราแค่ใช้สบู่แชมพูดับกลิ่นที่เล็ดรอดออกมาแบบกลบเกลื่อนเป็นคราวๆไปเท่านั้นโคตรเง่าของความสกปรกไม่ได้ถูกชำระสะสางเลยแม้แต่น้อยหากหมกมุ่นฝังใจอยู่กับความสกปรกโดยขาดสติ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 กับทั้งไม่จำเพาะว่าต้องเกิดการเห็นขณะอยู่ในอิริยาบถใดอิริยาบถหนึ่งอาจขณะยืนลืมตาอาบน้ำหรือขณะนอนหลับตาก่อนหลับก็ได้ทั้งสิ้นเมื่อฝึกก็อย่าคานึงว่าเห็นจริงหรือเห็นไม่จริงสาระที่ต้องคํำนึงคือเห็นล้าสลดสังเวชไหมระงับราคาได้เฉียบขาดแค่ไหน เห็นกายผู้อื่นเป็นของสกรปรกได้เท่าเราแบบไม่เลือกหน้าหรือเปล่าทารงับกิเลสทางเพศได้และมีจิตเป็นอิสระจากกายเบาสบายและตั้งมั่นได้นานขึ้นเรื่อยๆนั่นแหละขอให้ถือว่าลุถึงจุดประสงค์ของการฝึกขั้นนี้แล้ว